กุณจีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านเราพนังปฏิบัติธรรมการการปฏิบัติธรรมก็กรรมกไม่เกิดคุณธรรมต่างๆคุณภาพของชีวิตเช่นการประหยัดประหยัดนี่มันมีสติ นั่งเดินยืนนอนแต่พอดีใช้น้ำใช้ไฟแต่พอดีมันจะตรงกันข้ามกับคำว่าตันนีตันนีเนี่เป็นอกุศลเป็นลักษณะของการกาดสติกาดปัญญาห่วงเห็นแก่ตัว หัวหวงหาหิวห่วยเหี่ยวแห้งหดหูหึงนี้ปัญหาเนื่องจากขาสติเวลาขาดสติมันก็มีอาคาติอาคติมากมายเกิดขึ้นมาเนื่องจากจิตไม่ปกติ มันก็เลยเห็นใบตาอารมณ์เห็นใบตามทิฏฐิมาหน้าอัตตาตัวตนทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเราจึงมาปลุกเล้วมัคคาวิธีเป็นการปลุกจริงๆเราจริงๆมัคคาวิธีคือรูแปแบบเป็นวิธีการเป็นกรรมฐานแล้วล่ะนี้ก็จะมีการเก็บอารมณ์เก็บเงินสี่สิบวันก็คือเก็บตอนนี้แหละ มัคควิธีวิธีเข้าสู่มัครูปแบบการปฏิบัติเพื่อเกิดมักควิ ธ, วธีวิธีทมทางสู่ทางรมประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆมีสติปัฏฐานมีสัมมาสมาธิมีปัญญาที่เกิดจากสัมมาสติ สมมาเือมาเนี่ยแหละไม่ใช่ไปเร่าความรู้สึกกัมาหาตัวเองเห็นกายรู้สึกติกายรู้ว่ามันอยู่ที่กายเราก็ต้องมีสติระลึกรู้ความรู้สึกติกายอะไรเป็นตัวสติใหม่ๆยังไม่ได้ไปหาให้มันเห็นความรู้สึกแต่ละขณะขณะเคลื่อน อันนี้แหละมันก็จะได้คำตอบวันแล้ววันเล่านะมันจะปลุกตัวศรัทธาให้เกิดขึ้นมาเป็นศรัทธาสัมปยุนะตทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันอเกิดศรัทธาจิตก็ลื่นเรองเบิกบานปลาโม้อนะนะกามรสนุกเดินได้ทั้งวันนะเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องตำราตารายซะแล้ว เรื่อกันลงมือกระทำํำใครทําครก็ได้ยามเช้าหลวงพ่อทันเทศผุดโฉโปติระอ่านตำราตําราพระครูไวลานเปล่าเป็นครูบาอาจารย์มีลูกจีลูกอา่านแต่ว่ทุกครั้งท่านก็จะเรียกว่าพระครูไวลานเปล่ามาแ ล, ล้วเหรอพระครูไวลานเปล่าไปแ ล, ล้วเหรอพระครูไวลานเปล่า ฟังแล้วดูสนุกเราอย่านะอ่านหนังสือมากมันก็ไม่ใช่จนกว่าจะสำรวมตาหูหจมูกลิ้นตันงกะเทศเปรียบเทียบเหมือนกับจอมปลวกมียาตัวหนึ่งอยู่ในจอมปลวกตวันก็ออกอกทางทำไงการนทำมากก็อย่างพระอนอนท์ทำให่เกอบตายเดินจงกรม เพราะว่าเตรียมทำสังกายนาพระตวิดกทางสังกายนาการพระเจ้าดับกันปรินิพานไปแล้วสังขายนาครั้งที่หนึ่งต้องมีพระอานนท์สมองดีจำได้ทุกการพูดอยู่ใกล้พระเจ้าแต่ว่าก็ไม่ได้บรรลุธรรมชัน้นสูง เป็นแก่อริยะเบื้องตน้นคนี้ทำสังกยาต้องมีพระหลานต้องมดัดโดยแล้วแต่ต้งเป็นพระหลานนะขาดพานอนท์อยู่รูปยังไงยังไม่เป็นพระหลานทําความเพียนด้วยความตั้งใจพวกนี้จะสังกย า, าแล้วเดินหางลงหางคึ้นเพียนจนเกินพอดีท้ายสุด ไม่เอาละไม่ตัดจะรู้ก็ไม่เป็นไรไม่บรรลุธรรมก็ไม่เป็นไรนอนดีกว่านอนก่อนนอนก่อนลงมาล่นแล้วในขณะที่ปล่อยวางจิตวางใจนอนหัวยังไม่ถึงหมอนเท้ายกเหนือเพื้นไม่ได้แตะเพื้นแล้วก็ยังไม่ถึงเตียง ปรากฏมาลุกทำครึ่งนั่งครึ่งนอนมันได้หมายถึงว่าเพียนดีหรือไม่เพียนดีแต่หมายถึงว่าอะไรพอดีมันดี <Yeah. S 1> เพียนมากเพียนน้อยก็จะเป็นประสบกรารณ์ความไม่พอดีมันก็จะบอก mm hmm. ให้เราปรับสมดุล <Yeah. S 1> ให้เราได้สังเกตเพั้นทํามากทําน้อยก็ให้ทําไว้ก่อน เป็นประสบการณ์ที่ดีหลายคนต้องเห็นทุกทุกมากมากแล้วก็บรรลุธรรมทุกหนอทุกหนอวุ่นใบหนอวุ่นายหนอวนวยนอัดสากุลบบุตรไยท้ายสุดก็ฟังธรรมจากพู้ดองแล้วกัูดเรื่องสติถานสี่ยรัสสีตัวยรัสสี่ยจึงเกิดการบรรลุธรรมสองครั้งเป็นปาลฐานเลย หลายคนปา จ, จาราผู้หญิงตรงทุกข์ก่อนให้คนนั้นตายคนนี้ตายตายมันหมดคนลรอดตัวทุกอย่างแสนสาหัสหมดสติสมรดีไงไทยส่วนไปเจอพระองค์น้องหญิงเธอจงมีสติมาเถิดประโยคเด็ดเข้าถึงจิตถึงใจทางปา จ, จาราก็เกิดการบรรลุธรรมขึ้นมา ตักนามรดเท้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเป็นพาาระรหัสเลยอย่างเงี้ยน้อมเอาธรรมะที่เกิดขึ้นนอกตัวมาในตัวในกระดานที่น้มรถเท้าวงที่หนึ่งวงที่สองวงที่สามนะวงหนึ่งเล็กวงหนึ่งก็กลางวงนึงก็ใหญ่น้อมก็เป็นธรรมะสัตว์บางชนิดต้องตายตอนอายุอย่างน้อยหายวับไปเลยสัตว์บางชนิดก็ตอนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว บางคนที่ับตอนแก่เท่านะการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนี้แหละนะหลังจากที่มันมีสติมีปัญญามัก็รู้จักนะถ้ากบตาคิดมันเป็นตัวปัญญากลนะายเป็นทางผ่านทันทีทนะแต่ว่าก่อนที่จะเป็นทางผ่านก็เป็นทางตันเป็นทางสุดตง่งนะนะกามาสุขาหรือการนิยก็เป็นทางสุดตง่งนะเป็นฝ่ายบวก าลาวรักสุเกียรติุบนะจงเกิดจาริระเพนนะีวัฒนธรรมมันดีงามศิลธรรมต่างๆเกิดขึ้นมานะเกิดบนสิบสองกรองสนะิบสี่เป็นความดีความงามนะที่สำันที่สุดก็คือการที่ขนะทเข้าถึงสภาวะของความจริงนะนะที่มันเห็น สบาวะทุกที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจตามความเป็นจริงเรานั่งกายมันก็เจ็บปวดเมื่อยชาบ้างหรือว่ามันเต็มก็เดี๋ยวจะต้องเอากินเข้ามาในตัวเดี๋ยวก็ต้องขับถายออกไปมันก็เป็นอย่างนี้สังขารขันนการปุงกันแต่งของรูปขันถ้าพอดีก็สบายไม่พอดีก็ทุก ร้อนไปก็ไม่ดีหนาวไปก็ไม่ดีเปียกแช่ก็ไม่ดีชิญนก็ไม่ดีแห้งเกินไปก็ไม่ดีพอดีมันดีมันสบายเราต้องเกลียกายก็สะดวกใส่เสื้อผ้าที่สะอาดมันก็ดีที่มันไม่ได้ซักมาหลายวันมันก็รู้สึกเหนอะคันเป็นผื่นล้วก็รู้จักเกี่ยวข้องให้ก็อยู่สะดวก แต่พอดีพอดีตามเหตุตามบัจใจไปถึงกันต้องหนกว๋ว้มาตัว อ, อย่างอยู่ในจังหวะของชีวิตเราสังเกตเป็นจิตใจของเรามันก็ไม่มีอะไรที่จะท้อไปคว่าเวลาเข้าไปรุงแต่งในความคิดนที่เป็นความหลงด้วยนะเพราะถ้าเป็นลนักษณะของเจตนาปรุงเนี่ยมันก็เกิดความดีความงามก็นะถ้าหลายหลา ย, หลายอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่มีความสะดวก มีพัดลมมีไฟมีเสนาสนะศาลาต่างๆมีเครื่องขยายเสียงมีความสาสารเจ็ดกวาดปัตถูมากมายลักษณะของการปรุงกันแต่งที่เจตนาปรุงนี่เด่งตอนนีนะ้คำพูดที่ใช้จากสัญญามันก็ระ ล, ลึกเอามาใช้สังเกตได้ การวางกายวางใจนะการวางน้ําเสียงมันก็มีก็มันอยู่แต่หลายคนบางทีก็เผลอนะหรือเราก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะก็ทําเปตตามารมผู้เปตตามาลมนะบางทีก็ดังเกินไปบางทีก็เสียงแข็งนะบางทีก็หวานวจนน่ากลัวนะบางทีก็หวานจนน่ากลัวงันะแต่ว่าความพอดีพอดีมันมีอยู่นะการใช้ ความคิดปนระุงแต่งจนเป็นวัจีสังขารนะบางทีก็พูดเป็นวัจจีวิญญาตนะวัจจีวิญญาตเราก็เห็นนะเช่นขอขอทานนะพูรแบบวัจจีวิญญาตผมเสื้อผ้านะไม่มีใส่ไม่มีเงินกินข้าวไม่มีค่ารถนะ จะกลับบ้านนะสารพัดนะอันนี้เป็นระนาดของวจีบิญญัตนะิพูดแล้ก็เป็นระนณะของกรรมนะแล้วกรรมที่ตกไปสู่ไฟเสื่อมนะไม่เจริญก็เรียกว่าเปรตนะนะนะนะเปรตคนที่จะเป็นเปรตได้ เ, เราสังเกตได้นะในจิตของเราก็เหมือนกันคนเป็นพ่อคนแม่คนนะนะอย่างไง้ก็ตัวเป็นเปรตเหมือนกันพระอีกอย่าง อาจารยต่สอนเนรแล้วอยากให้เนรดีเนเนดีแต่แม่เราไม่ ร, มรวังนี้เป็นเปลดทันทีจนเกิดจิตเปลกลามันยากใหญ่ก้าโล่ใหญ่ก้าได้ดีใหญ่ก้าวเปลี่ยนแปลง <c oughs> สัต์นรกก็มีบางทีจิตมันก็เป็นสัตว์นรกเล่าลอน <c oughs> เป็นลรือของอารมณ์ที่มันพุ่งผ่านเดือดดาน ต้องระบายความร้อนจิตร้อนใจเหมือนวัตถุ ร, ระเบิดลักษนะของสารนรกมันจะแสดงออกไปด้วยโทสานั่นแหละความหงุดหงิดก็ต้อ ง, ตงเปลี่ยนไปเป็นโทสะปฏิฆะทำใเกิดเป็นความหงุดหงิดนี่เราก็รู้เปลี่ยนปฏิยาการเหล่านั้นเป็นตัวรู้รู้สึกตัวบาง ท, กทีก็เป็นลักษณะของจิตประปุ่มเดรฉานนล เราเห็นได้เลยนะขณะปฏิวัติธรรมเนี่ยก็คือลักษณะของที่พูดมาเบื้องต้นคืออากติทั้งหลา ย, ยดีก็ไม่ทํามันกวางตลอดลักษณะนี้นะเพรานับางทีมันก็ต้องเรียกว่าระมัดระวังกันรู้สึกตัวรู้สึกตัวต้องอ่อนๆผ่อนตามห่อนน้อมแต่ไม่ใช่อ่อนแอนะถ้ากาดสติมี่จะเป็นความอ่อนแอ แสดงออกแบบไม่มั่นใจตัวเองแต่พอมันมีสติขึ้นมากลายเป็นความอ่อนโยนนีนะอ่อนน้อมเราสังเกตได้เป็นคุณธรรมเกิดขึ้นมามันก็จึงไม่ใช่แค่เพียงรู้สึกตัวแล้วก็ปกติเฉยๆเฉยๆเฉยๆไม่ใช่รู้ทรมันก็ต้องทำเห็นทำมันก็ต้องทำอะไรไม่ดีมันก็ต้องเปลี่ยนขึ้นมาแล้วสร้างสรรอะไรที่มันเกิดการสร้างสรร ทำให้เห็นลองเห็นรอยนะของความดีความงามความจริงก็ต้องทำํนะทำทําไปนะแต่ว่าทําดีไม่ติดดีอ่ะอันนี้มันก็มีอีกนะทําดีไม่ต้องหวังว่าจะต้องให้คมใครชมว่าดนะีมันก็มีอีกนะบางทีเราทําดนะีมันเลยดีไปอีกนะพอมาทําจนเป็นการมรรลุธรรมไปเลยก็ไดนะ้มันเลยดีนะทํามันจะดีก็ดีที่สุดดีดีมาก เป็นดีที่สุดทําไปวางไปไงบางทีเราก็เห็นจิตของเราเป็นละนะักษณะของอสุรกายอสุรกายก็คือขี้แกลาดไปเลยบางทีวันดีแต่เราก็ไม่ทําบางทีมันดีแต่เราก็ไม่กล้าแสดงออกพอจะแสดงออกกลัวก็ว่าไม่ดีเราก็สังเกตเวลาตั้งวงประชุมกันสังเกตได้จิตลักษณะเนี่ยนะคนสักสี่หคนเรามาตั้งวงประชุมกัน จะเห็นบางทีไม่ ก, กล้าแสดงออกมันจะเป็นลรื่องหนาของจิตที่มันเหมือนกับพูดไปแล้วกลัวไม่ถูกใจคนอื่นพูดไปแล้วกลัวก็ว่าผิดเราก็จะเสียอกเสียใจอย่างเงี้นะน้เนื้อต่ําใจจิตอย่างเงี้ยเป็นอสุรกายเลยนะเห็นแล้วมันเป็นล้วษบบนี้แหละพอมันเกิดลรื่องหนาของการห ล, ลงกันมาหลงก็ไปในความคิดนะมันก็จะมีจริตนะิสัยทิฏฐิ ความเห็นของเราที่เราเคยเป็นนะนะมิจฉาทิฏฐิสามมาทิฏฐิอะไรก็ตามเถอะนะมันจะออกมารับทันทีนะมันเป็นแล้วนะของจริตนะิสัยคนขี้ขาดเมื่อขาดทั้งปีทั้งชาตินะนะคนที่กลัวมันก็จะกลัวทั้งปีทั้งชาตินะคนที่เมตตามันก็จะเป็นอยังไงนะพื้นของจิตนนะใจบุญมันก็จะบุญอยู่นั่นนะเห็นอะไรไม่ทำนันไม่มนะีคนใจบุญ มันไม่มากก็น้อยเราก็ต้องทำนะมันเป็นวิธีธรรมเป็นลักษณะของกุศลธรรมแต่ถ้านะจิตเราเป็นเทวดาจิตนะดีจิตปุญนมันก็กลายเป็นพบภูิอีกเหมือนกันบางทีเราเห็นพบผูมโอ้มันเกิดตรงนี้นะเวลาจิตมันดีขึ้นมามันก็ฟูพอฟูปั๊บเลือนลงก็ฉีดพอเลือลงมันฉีดหน้าตาก็ขาวผ่อง ผิวพรรดีมีหน้ามีนวลเลยไม่แปลกใจคนโบราณทำไมก็เอ า, เอานางฟ้าหน้าตาป่องใสมีหน้ามีนวลเทวดาก็เหมือนกันนะขาวจียหน้าตาผิวพรรณแต่งเครื่องประดับระยิบระยับก็เป็นใยนั้นจริงๆเราก็เห็นได้การแต่งเมื่อแต่งตัวของเราที่เราเคยเป็นหรือว่าของคนอื่นที่ก็เป็นขนาดนี้หรือว่าการตกแต่งประดับประดาต่างๆ จิตเทวดามันจะเป็นลักษณะของสิ่งที่ดีที่งามแต่ท้ายสุอกับทุกข์ได้ถ้าหมายถึงว่าจะต้องประคับประคองหรือว่ารักษาต่อให้คือคนอื่นชมว่ า, าดีนะต้องเหมือนกับว่าต้องทําดีอยู่ตลอดเวลาแสดงว่ามันหมดบุนไวนัก็คือพอหมดแล้วมันต้องการเสพมก็ทําต่อหมดแล้วมก็ต้องการทําต่อเงี้อันนี้ก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเราก็เห็นมันอีกนปิติน หรือว่าความสุขความเบากายเบาใจนะเราก็เห็นมันรู้ว่าผีนิ่มก็เบาเหมือนกันนะผีนีได้ทาชั่วแล้วก็เบาอันนี้ก็เป็นเหมือนกันว่านะไปไหนสังเกตคนะติภพชาติของผีนะคือตัวมันจะลอยๆเนหะมือนกันนะมันจะระมัดระวังนะโอ้เราได้เห็นจริงๆมันก็มีเหมือนกันไปไหนต้องระมัดระวังกรรมกกรินต้องระมัดระวังนะ จะทำชั่วต้องกลัวใครเห็นอย่างเงี้ยโอ้นี่มันผีชัดๆอย่างเงี้ยเราก็เห็นอีกที่เราเนี่แหละไม่ต้องเห็นที่ไกลเนี่ยรู้ว่าเป็นลักษณะของจิตใจเป็นปรมไม่ประมานะเวลารู้สึกตัวเราก็ได้เห็นแล้วจิตที่มันดีดีเห็นต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สั้นสิ่งเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้เป็นมิตรนะเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความดีที่เกื้อกูลเรา เป็นความเอือเฟื้อของธรรมชาติของโลกใบนี้ที่มันมีอยู่ถ้าเรามีปัญญาสักหน่อยหยิมใจถูกต้องนะมันก็เกิดเป็นลนักษณะของนะความดีความงามขึ้นมาไม่ประมาณทีเดียวนะบางทีก็มีเห็นเขาทุกข์าช่วยเขานะม่นิ่งดูไดยรัวมาอยู่วัดอยู่ว่าจนคาโมร้านก็ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูไดยปั้นหัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น แ็ตระหนี่แหละคือลรื่องของพรหมนะเห็นแล้วเฉยไม่ไดนะ้เห็นแล้วอะไรเป็นดีนะต้องทําเมืองตนนะเห็นคนทุกข์นะดยเฉพาะเห็นสัตวสัตว์สสิส่งทุกข์นะต้องช่วยกันอย่างหพ่อท่านว่าเวลาเจอต้อนไม้มันแห้งอย่างนี้นะเราก็เอาน้ําไปลดใส่ให้มันนะแล้วมันก็เหมือนก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลวงพ่อนะฟังท่านเทศแล้วน่าชื่นใจนะ เราก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลารดน้ําต้นไม้นะมันก็จะเหี่ยวเหี่ยวเ้าเฉางสดใสขึ้นมาเนเพียงผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเลยมันตั้งลำขึ้นมาเม็ดดินเม็ดจายเห็นของก็เห็นมูลค่าของของเห็นอะไรเล็กน้อยก็โอ้นี่มันมีมูลค่าอย่างในวัดนี่มีของที่เป็นมูลค่ามากมายนที่มีมากชาวบ้า น, นมากกว่าชาวบ้าน หรือว่าตอนที่เราเป็นชาวบ้านเนะีเราเป็นคราวาสญาติโยมแล้วก็ดูแลรักษานะที่เรียกว่าเก็บก็ง่ายหายก็ ร, กนะกกกกรู้ดูกันงามตาหยิบก็ง่ายเก็บก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาตัวนี้มันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้แหละนะเห็นแล้วไม่ต้องวัตถุสิ่งของเมตตาก็รู้นะของตากฝนอย่างเก้าอี้นี่ไม่ได้เลยนะเก้าอี้นี่จะไปตากฝนตามพระวิ น, ยนัยในปรับอาบัตทันทีหลงปัก เวลาลงโบสถ์กันสิบห้าข้ามนะลองเล่นเอาเก้าอี้ไปตากแดดเอาเตียงเอาต่างไปตากแดดเอาตากฝนเนะี่ยตาไปเห็นปั๊บจะปรับอาบัตนะลงโทษนั่นแหละนะเราก็ต้องระมัดระวังใช้ไม่กวาดใจนะไม่กวาดทางมะพร้าวไม่กวาดอ่อนนะต้องดูแลกันเต็มที่เลยนะจัดเข้าที่เข้าทางพวนะกนี้อันนี้แหละก็คือลักษณะของพรหมนะเราก็จะได้เห็น มันรู้สึกโอ้มันทุกอย่างจริงๆเลยนะทุกมุมปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่หมายถึงว่ารู้สึกตัวแล้วก็ไม่พัฒนาไม่ทําอะไรคงไม่ใชนะ่มันต้องทําแต่ว่าจังหวะที่ทําเราต้องดูจิตดูใจของเรานะทำด้วยสภาวะจิตแบบเปลิดนะแบบไหนนะแบบมีคติแบบอาคติแบบไหนแบบมีสติแบบหลงนะแบบไหนมันมีแบบ ทำไมไมันต้องมีแบบก็จากรูปแบบนี่แหละ14จังหวะมัคควิธีมัคควิธีจงทำมันเกิดมัคควิธีขึ้นมาตรงนี้วิธีจากรูปแบบก็ออกไปนอกรูปแบบเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แบบเราใช้สิ่งที่เกิดจากแบบสติที่ตั้งมั่นสมาธิที่มันตั้งมั่นปัญญาที่มันเป็นไวพิปปัิภันต์ฉลาดเฉลียวไปแล้วอัตโนมัออ ต, มติอัตโนมิติก อันนี้มันจะเป็นเรื่องของการคมในฝักนปัญญาแล้วนะปัญญาพุทธะคมในฝักเราแวะลองดูใครๆดูหลวงพ่อคำเขียน ก, กันแล้วกันท่านคมอยู่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรที่เป็นปัจจุบันทุกอย่างรอบตัวอันนี้เรียกว่าเรียนรู้สมมุติให้มันจบอะไรที่เป็นสมมุติเนี่ยเมื่อเรารู้สมมุ ต, มรรมมติมันจะเกิดความฉลาดเฉลียวขึ้นมามคำามารู้สมมติไม่ใช่ไปรู้ในเนื้อหาสมมติเราหลงเข้าไปในสมมติน จะนำมาถกเถียงันเน้เป็นเทพาสุลแต่ถ้าเป็นเะรื่องหนาของการรู้สมมุติรู้แตกฉาอนอเนี้ยหมาะที่เราจะรู้แล้วก็เพื่อที่ตัวเราจะดำรงอยู่ได้รู้สมมุติห้แจ้งโลกนะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้อยู่กับโลกเขาแต่ว่าอยู่แบบโลกไม่ช้ำทำไม่เสียทำนั้นเป็นเรื่องของใจเราที่เราก็ต้องรักษาข้างนอกเป็นอาการกิริยาเฉยๆเป็นการเกี่ยวข้องกันไปปากอย่างใจอย่าง มันมีจริงๆนะากายเราเนี่ยเมตตาขานามุดิตาเนเมื่อเขาเปลี่ยนได้เขาจากทุกเป็นสุขอนุโมทนานะโอ้ยินดียินดีด้วยเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วอย่างงี้ยน ะ, ะกายเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์เป็นการจันรลงทำให้เกิดสันติสุขสันธิภาพเรียกว่าเมตตาทำค้ำจุนโลกขึ้นมานอยู่ที่สังคมไหนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแบบเนี้ย ตกน้ำไ่ไหลายตกไฟใหม่ๆต่อมาก็คืออุบຈขากอนนี้เราเคลื่อนเมือแล้วเกิดความสึกเฉยๆวยเนี่ยมันเป็นทั้งพรมและเป็นทั้งพระเป็นพรมก็เราไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยมันอยู่สองคนขึ้นไปต้องกินข้าวไม่ล่ะต้องเดินไปไหนมาไหนอาบน้ำอาบท่าไม่ล่ะต้องใช้แปรงสีฟันยาสีฟันปัจจัยสีไม่ล่ะไอ้ตัวเลนะ เพราะนั้นเราเกี่ยวข้องตามหน้าที่หน้าที่ต่อตัวเองหน้าที่ต่อสังคมหน้าที่ต่อผู้อื่นก็เพราะนั้นมันก็เลยเกี่ยวข้องแบบเป็นพรวัตสภ า, าวะเป็นกิยาการแต่ข้างในของเราเนีปกติเราก็รู้เรามันต้องเกิดมาจากเนื้อการสร้างรูปแบบจนไรลลงลอยท้ายสุด คำว่ไล่ล่องลอยก็คือจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปนะความรู้สึกตัวหรือว่าสติที่มันเกิดขึ้นมาเด่นนะอันนี้แหละมันจะเป็นเรื่องของธรรมพาธรรมมันไะม่มได้มีสติอย่างเดียวมันมีปัญญาด้วยนะมันจะไม่ได้มีศีลอย่างเดียวนะมันจะมีธรรมชาติด้วยนะมันจะไม่ได้มีตัวเราอย่างเดียวนะมันก็มีบุคคลอื่นวัตถุอื่นด้วยนะกเกี่ยวข้องกันไปอย่างนะี้ มันก็จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจดีเดียวเห็นทุกเห็นทุกขณะปฏิบัตินี่แหละมันก็เลยเห็นเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกก็คือมันไม่รู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวเนี่ยไอตัวรู้สึกน่ะมันจะตอบเราว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะคืออะไรกันแ น, น่มันใช่ตัวเราจริงหรือเปล่านาีมันก็ต้องเห็นอะไรตามทางเดินที่คันเห็น เริ่มต้นมันต้องเห็นรูปเห็นนามก่อนอย่างไงก็ต้องเห็นรูปเห็นเห็นนามต่อมาก็ต้องเห็นนามเห็นรูปอย่างไงยังไงต้องเห็นนามเห็นรูปเห็นจิตที่มันมีอาการคิดเห็นการปุนแต่งเป็นปุญญาที่สังขารอภุญญาที่สังขารยังไงก็ต้องเห็นปุญญาที่สังขารมันทําให้เราจิตใจมีลักษณะอย่างไรแล้วเกี่ยวข้องร่างกายร่างกายของเรามีปฏิยาอย่างไร เวลาเกิดอปุญญาที่สังขารเนี่ยจิตของเรามันเป็นยังไงมันมัวมัมันหนักหนักมันมืดมมันดำดำเป็นยังไงแล้วร่างกายของเรามัเป็นยังไงปฏิยาของกายมันสอดคล้องกันยังไงแล้วเวลามันเกิดความรู้สึกกลางกางเป็นปกติขึ้นมาเนะจิตมันธรรมดาธรรมดาเป็นไงแล้วกายมันปกติเป็นยังไงเนะพอเราจับตัวปกติที่กายได้โอ้รู้จักศีลทันทีเลยเวลารู้จักจิตเนี่ยทีมใช้กับวาจาเรารู้จักศีลทันทีเลย บาจาเรียบร้อยมันก็คือศีลกายเรียบร้อยก็คือศีลศีลเกิดก็ไม่ไปทําอะไรนี่ผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นถ้าทำมันก็ทําแบบธรรมมันไม่ทําแบบผิดแบบถูกนะมันไม่ทําแบบเหตุแบบผลมันไม่ใช่แบบนั้ น, นทําเพราะว่ามันอยู่เฉพาะหน้านะก็ไม่เห็นเป็นเลยรักษาใจอันนี้แหละนะก็เลยกรใจายโอ้ทำไมพระอหันทําอะไรไม่ผิดนะสมมุติกันได้ยังไงนะ ท้ายสุดผิดไม่ได้ผิดอยู่ในใจท่านผิดอยู่ที่สังคมสังคมรวมหัวง่ายๆแล้วสังคมสารเตี้ยแต่บังเอิญว่าโลกของเรามันมีลักษณะของพตินที่ใสังคมโลกนะมีพื้นที่ในอาชมกลุ่มน้อยต่างๆก็จะกําหนดสารเตี้ยขึ้นมาอย่างนี้นะพื้นทีแล้วก็มีลักษณะของนิตินในนิตินในยก็ตัวผลกฎหมายของบ้านเมืองต่างๆ อของไทยเราก็มาจากอังกฤษยอย่างนี้เป็นต้ น, นเป็นละกษณะขประชาธิปไตยที่ไม่เต็มใบเหมือนอังกฤษเราก็เห็นกันอย่างที่มันเป็นอยู่ขนาดนี้แล้วก็มีธรรมะและวินัยนซึ่งเราจุมช น, นมัดวาลามต่างมัตวาลามมันเป็นที่อยู่ของสัตบุรุษยังไงนะมันไม่คนใครก็ได้จะมาอยู่มันอยู่ไม่ได้หรอถ้าอยู่มันก็อยู่แบบกาฝากหรือ่าอยู่แบบแปร์แบบอะไรก็ ดีแบบนั้นก็ดีนิ่ราพูธถึงตัวเราเองเป็นอย่างนั้นนะมันเห็นอย่างนั้นทีนี้จะอยู่ยังไงนะทิมให้เป็นเรื่องของการเดินทางที่เป็นมัคควิถีนะมัคควิถีและท้ายสุดบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการมาใช้สถานที่วัดวาลามที่เรียกว่าธรรมมัคคุวินยัย ธรรมะก็คือนี่ไงความรู้สึกตัวนี่ไงธรรมะคือธรรมชาติแล้วมันก็เป็นวินัยในตัวด้วยทุกครั้งที่เราเดินจงกรมสังเกตไหมคนที่เดินจงกรมเราก็ไม่ได้ไปดินทาว่าไร้ใครซะกัหน่อยเราไปทํางานดูสิอยู่ก็ตรงไหนก็ได้สองคนกินไปเดี๋ยวก็ได้เรื่องเรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องนุ่นคนนั่นคนนี่คนนู้นวัตถุหนึ่งสองสามคนหนึ่งสองสามก็ต่างจากโลกโลก การที่เราเคลื่อนมือรู้สึกตัวอย่างน้อยได้อบรมกายวาจางเราละที่สำันได้ตรงๆคือจิตนเพราะจิตมันใช้วาจางวาจามันใช้จิตจิตมันใช้กายแล้วกายมันก็ใช้จิตอย่างเงี้ยพอรามีความรู้สึกตัวก็เกิดสมดุลขึ้นมาเรื่องกายกป็เรื่องกายเรื่องจิตเป็เรื่องจิตเยจิตกับกายมันก็ไม่มั่วกันเรื่องเราก็เรื่องเราเรื่องเขาก็เรื่องเขาะ เราเลยเห็นโลกตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยนพะพอเราเห็นด้วยตาในเราไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อเป็นตาสติตาปัญญาตาความรู้สึกตัวนะตาเนื้อพอเวลาออมันดูมันก็รู้สึกได้ประเด็นตรงนี้พระเจ้าหลวงพ่อตาณฑ์เกษตรหลวงพ่อเขียนตาดูเป็นความรู้สึกตัวหูฟังเป็นความรู้สึกตัวจมูกได้กลิ่นเป็นความรู้ส <t> ึกต <t> ัวอย่างเงี้ยนะลิ้นริมรสเป็นความรู้สึกตัวจึงเป็นกรรมฐานทั้งหมด เมือ่อเรามีสติอาการรับประทานอาหารเรียกว่าฉั น, นเรียกว่ากรรมฐานนัเมื่อสักครู่เรามีสติอาการอาบน้ําอันนี้เรียกว่าส่งน้ําพระ น, นี่ส่งน้ำโยมก็ส่งได้เหมือนกันถ้ามีสติอันเดียวกันเวลานอนก็เรียกว่าจําวัดอย่างเงี้ยอันนี้คือมีสติกรรมฐานตลอดตั้งตตื่นยันหลับเราก็เลยไม่ได้ทําอะไรกันหรอกก็เป็นกรรมฐานทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเป็นมัคคะวิ เพื่อให้เข้าถึงมัคควิถีและเมื่อเดินทางสู่มัคควิถีแล้วก็จะเห็นธรรมชาติที่มันเกิดทั้งภายนอกและายในตามความเป็นจริงเป็นสภาวธรรมเท ว, วพาไตลักษ์นี่นะมันจะไปไหนก็ปล่อยมันเถอะเตรียมใจในสุดคืรู้สึกตัวขนาดนึงไม่ทุกข์กันแล้วกันแหละอย่างเงี้ยนะไกสังเกตนเขาจะทำอาตมาหรือ ว, ว่าผมถ้าเคยใช้เคยใช้ก็คือ เวลาคุยกับคนอื่นเนี่ยไม่ปล่อยหรอกตัวเองจะนั่งรู้สึกอยู่บางเรื่องถ้าตอบแล้วหนึ่งครั้งสองครั้งแต่ยังไม่รู้เรื่อง เ, อเงียบกิฟต์เลยใช้เวกา้าเลยแ่ะแต่เอา้เราผิดลงโทษเราในความคิดของท่านเอาเองแล้วกันอะไรประเภทเนี่ยส่วนเราเรารู้เรายิ้มสบายมันคืออะไรจะเป็นตัวนี้ทันทีแล้วก็เป็นลนักษณะที่จะใส่ ครูนอกจากเรามีหลวงพ่อขมเขียนท่านเป็นครูแล้วเนี่ยเราบอกเลยว่าท่านคือครูภาวนากระตัวท่านว่าท่านคือครูจะรับเราเป็นศิษย์หรือไม่แต่เราก็จะยอมรับท่านว่าท่านเป็นครูอย่างเงี้ยเราก็จะใส่พระกัลยาณมิตรอาศั ย, ย, าศยญาติโยมนะคือครูประตูจิงของาศิษา์ลาสิง อ, งอาศัยเป็นครู เพราะสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เรานะสังเกตได้ถึงจิตของเราว่าปกติรู้สึกตัวหรือไม่ปกติไม่ได้อยู่ความรู้สึกตัวสติที่ดูจิตอยู่นะหนะรือสติที่ดูกายอยู่หนะรือสติที่รู้สติอย่างเงี้ยในขณะที่มันใช้กัฏฐาหารู้าอรรณาญาตนะนมันก็จะไปเป็นลักษณะของความรู้สึกตัวที่ละเอียดน ที่แล้วก็ไหวพิปฏิปานนะครับคือความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นสติก็คือความรู้สึกตัวศีลก็คือความรู้สึกตัวนะสมาที่ก็คือความรู้สึกตและปัญญาความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะให้เราเหมือนกับว่าไม่เห็นคุณค่าของความรู้สึกตัวตามที่หลวงพ่อเขียนหรือว่าหลวงปู่เตียนท่านชี้นะคงจะเป็นไปไม่ได้และในความหมายของหลายคนบอกว่าการที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะติดรูปแบบติดกรรมฐานจริงๆก็ไม่ใช่ บอกเลยไม่ใช่ถ้าทำเป็นนะแต่ถ้าทำไม่เป็นก็คือใจและถ้าทำในรูปแบบไม่เป็นนะทำอะไรมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนั่นแหละพออะไรรู้ป่ะความกลายเป็นการไปประคองในจิตของเราเลยและที่สุดก็คือมันจะสร้างนิมิตทันทีเลยมันจะสร้างนิมิตว่ารู้แล้วแต่พอลงมือกระทาปั๊บมันจะทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้เพราะว่ามันยังปรับสมดุลไม่เป็น เพราะนั้นเข้าในรูปแบบถ้าทำไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้แล้วก็ยังไม่เข้าถึงจุดที่เรียกว่าจิตปลาโมดนะมันจะไม่สนุกอะไรเลยนะมันจะทุกข์อย่างมากกับการทำกับฐานนะแล้วมันก็จะไม่เห็นด้วยว่าสิ่งที่ทมามนคือทุกข์แล้วเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยก็คือความรู้สึกตัวหรือว่าการมีสตินาะยังไม่เด่นสติปัฏฐานนะชื่อมันก็บอกว่าสติแล้วก็ปัดแล้วก็ฐานด้ย ถ้าฐานกายรู้กายก็จะต้องปัดกายแต่ถ้าไปจับไปอยู่ไปยึดตรงนี้หนักมีไงก็หนักเห็นแล้วลตรงนี้มันคืออะไระฉะนั้นสิ่งที่พูดที่มาทั้งหมดนะสิ่งที่พูดขึ้นมาทั้งหมดนะก็คือลักษณะของออประสบการณ์นะที่มันสังเกตว่าการที่จิตของเราเนะี่ยมันไม่สมดุลไม่ทรงตัวมันจะกลายเป็นภพชาติทันที พบชาติจลามาลณนะเกิดดับเกิดดับแลวจันนี้นะักไปลองสังเกตกันแล้วกันมันจะเห็นวันทั้งวันเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงตอนเช้าอาจจะหนักตอนไปบ่ายอาจจะดีก่อนนอนอาจจะสบายวางหรืออาจจะมีปัญหาอารมณ์ตกค้างแต่พอตื่นมาแล้วก็ปกติ มันจะเป็นอย่างเงี้ยเวียนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปแต่ถ้าเราสังเกตได้นะว่ามันมีจุดหนึ่งที่มันเป็นกลางสภาวะกลางกลางสมดุลนะแล้วก็เป็นสภาวะที่เราสํารว ม, มวเรามัดวังหลวงพ่อผอมเขียนท่านเทศอีกจุดนั่นก็คือหนึ่งให้สํารวมให้ดีๆการสํารวมเนี่ยจะกลับเข้ามาหาตัวเองก่อนตาหูจมูกลิ้นกายใจนะกลับมาก่อนกลับมาเพื่อให้เห็นสภาวะข้างใน ปกติเราจะเผยออกไปพุ่งออกไปสนใจเรื่องนอกตัวนะอันนี้คือเล่นหนัของปุตติชนแล้วก็ไม่ได้เห็นตัวเองพอเราเริ่มว่าอยู่ข้างนอกแล้วเป็นทุกข์เราก็กลับมาอยู่ข้างในพอมาปฏิบัติข้างในก็กลายเป็นทุกข์อีกคันนี้นะแต่ว่าข้างในเป็นทุกข์เราสามารถที่จะเหมือนกับว่าสังเกตได้ว่าเมื่อเราออกจากกรรมฐานไกลนิดเดียวมันจะหลุดทันทีเพราะ้การสํารวมตาหูจมูกเล้นกายใจนะเนื่องจากเหตุที่ว่า เป็นสถานที่ที่บําเพ็ญกุศลเจตนาอย่างนี้นะเราก็สํารวมกายวาจาใจกันไม่พูดได้ก็ไม่พูดอะไรอย้เป็นต้นไม่คุกเกลียดได้ก็ไม่คุกเกลียดกันต่อมาก็คือสิ่งที่ทําไปแล้วไม่ผิดไม่ตกใหนไฟเสื่อมแล้วก็คือชายคิยานุโยกก็คือสร้างธรรมที่เป็นเครื่องตื่นก็คือตัวสติสติมเป็นชาคิยานุโยกเป็นเครื่องตื่น ต่อมาก็คือประมาณประมาณในการบริโภคบริโภคทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นการพูดสำทับไปอีกครั้งหนึ่งนะมาเช้าหลวงพ่อท่านก็พูดไว้ครั้งลนะแล้วตอนเย็นมาหรือผ ม, ผมก็ได้มีการมาพูดอีกครั้งหนึ่งเนะกรนว่านะสมควแก่เวลาเรากระพาพร้อมกัน